พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห1เอ็ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หพฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่าชีวิตจะไม่ไร้ค่าถ้ารักษาศีลสองสาวันที่ผ่านมา หลวงพอ่อลงไปธุระทางกรุงเทพลงไปแบบปุรั บ, บแต่ถึงยังไงก็มีกิจนิมนต์มาล่วงหน้าไว้ก่อนแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังไม่จบลงไปก็มีภาระที่จะต้องถึงวันที่แปดหลวงพ่อดูแล้วไม่ไหว ไกลเกินไปแล้วก็พร้อมในวัดของเราก็มีผ้าลูกผ้าลานมีอะไรที่จะต้องดูก็ต้องเป็นห่วงเลยลงไปวันที่สมลงไปเป็นวันพระอีกตอนเย็นเราก็ไปสวดมนต์ที่สวนแสงธรรมตอนเย็นกับมีพี่น้องประชาชนจัดทาญาติโยม ก็มาไหว้พระก็มากพอสงควรตอนเย็นแล้วก็เปิดเทป MP ็สาแล้วก็หลวงพ่อกล่าวเรื่องราวละให้กับคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมฟังตอนเย็นแล้วก็เช้าวันที่สี่เป็นวันเสาร์หลวงพ่อก็ฉันจังหันที่สวนแจงธรรม ปินทบาทชันจากนั้นกระุงพ่อก็ได้กล่าวพบกับศรัทธาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาเก่าแก่แต่นันกระพอตกตอนเย็นทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงนิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมแต่นิมนต์พลาดมาสองสามครั้งแล้วและหลวงพ่อไม่ได้ไปแต่ข่าวนี้ก็เห็นว่า ลูกหลานขึ้นมาที่วัดหลวงพ่อแล้วก็ลูกหลานก็บวชอยู่ที่นี่อีกหลวงพ่อก็เลยเอาลงไปหกโมงครึ่งไปถึงมหาวิทยาลัยก็มีฟังดูแล้วก็มีท่านอธิการบดีและคณะบดีหลวงพ่อก็จำไม่ชัดอ้นอ้วนโยมแล้วมานั่งฟัง แล้วก็มีนักศึกษาประมาณสามร้อยกว่าพบคณะศทาทิายญาติโยกแต่เขาจัดตั้งแต่วันที่สามวันที่สามที่สี่ที่ห้าแต่หลวงพ่อไปวันที่สี่เย็นมีการแสดงธรรมสามองค์ตอนเช้าจัดอย่หันเสร็จองค์หนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายองค์หนึ่งแต่ตอนเย็นนมมนมณลหลวงพ่อแสดงธรรม จากนั้นหลวงพ่อก็กลับถึงสวนแสงธรรมเกือบสี่ทุ่มน ะ, ะลูกลานว่าตอนเช้าก็ออกไปหกโมงไปชันที่จิตโ ภ, โภชนาร้านอาหารคุณหลวงเขานิมอมนไว้เป็นวันอาทิตย์ก็พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมโอ้โหแน่นอีกเหมือนกันจุดนั้นจากนั้นฉันยังหันเสร็จแล้วก็มีการ วตวดมนกล่าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองเครื่องออกเที่ยงได้ลกลับมาถึงอุรานถึงวัดวันที่ห้าวันนี้เป็นวันที่หกนะเนี่ยี่แหละภาร ก, กิจของหลวงพ่อที่ไปในคราวนี้ครั้งนี้เราเป็นพระชุมชน สาธารณะเราจะทำอย่างใจของเราอยากจะทำก็ไม่ได้เราก็ต้องมองดูชุมชนพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตนยังไงควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมแต่เราจะไปทำหมดทุกอย่างตามที่เขาต้องการก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันต้องเลือกดูว่างานไหน สมควรจะไปมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนแต่เรื่องโลกามิทธิ์ทงหลายที่ไปแล้วจะรวยอย่างนั้นจะได้คนยกย่องอย่างนี้มันไม่มีเราต้องดูเหตุผลว่าไปคราวนี้ได้ประโยชน์อะไรคาว่าได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าได้เงินค้ามทรัพย์สมบัติไม่ใช่คือได้คุณค่าทางพระพุทธศาสนาได้ประโยชน์คนได้ศึกษาได้ทำ ได้ทําสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อชุมชนเราต้องคิดเน้นจุดนั้นเพราะนั้นเวลาจะไปแต่ละครั้งหลวงพ่อก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันก่อนจะหนีจากลูกหลานออกจากวัดไปเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายนะพระทั้งหลายให้ทั้งอกตั้งใจเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้มีเวลาไม่นาน มีเวลาจำกัดเพียงเดือนกว่าๆถ้าหากว่าถ้าว่าพิจารณาอีกส่วนหนึ่งเราเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้เราเป็นคราวาต์มาหลายปีตั้งแต่เป็นเด็กรู้เรียงสาปภาวะมาถึงขนาดนี้แหละบางท่านก็ได้เคยผ่านการผ่านงานมาเคยผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชน ร้อนผ่านหนาวผ่านมืดผ่านสว่างผ่านดีผ่านชั่วมาหมากมมยหลายๆอย่างแต่ที่ผ่านมานั้น เ, เรามาถึงจุดนี้เรามาบวชในพระพุทธศาสนาเรามาศึกษาธรรมะพระธรรมคาสอนของพระพุทธทเจ้าเราเข้ามาศึกษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธทเจ้า เราได้นำทำคำสอนมาเปรียบเทียบเรามาประยุกต์มามองตนเองว่าที่ผ่านผ่านมาที่เราผ่านมานั้นจุดไหนบ้างที่มันบอดมันดำมันคดมันโคง้งมันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องแล้วจุดไหนที่มันเป็นศีลเป็นธรรมน่าจะส่งเสริม ที่เราได้ทําผ่านๆมานั้นสิ่งเหล่านี้เรามายืนอยู่จุดนี้ในสมัยเมื่อเราทําอยู่จุดนั้นะเหมือนกับเราอยู่ในหมอกควันอยู่ในหมอกควันเรามองไปเห็นตัวของเราเราทําผิดถูกมากน้อยแค่ไหนดีเลวขนาดไหนเรามองไม่เห็นเพราะในจุดนั้นมันเหมือนกับขึ้นไปบนเวทีไปชกมวยอย่างนั้นแหะอ่า แก่ปัญหาเฉพาะหนาก็มีเรื่องอะไรก็มีมันลุมมาต้่ม่ะแต่มาถึงจุดนี้เราลงบนเวทีแล้วฮะแล้วว่าเราได้มองดูตัวเองแล้วว่าที่ผ่านผ่านมานั้นจุดไหนบ้างที่มันคดข้องจุดไหนที่มันไม่เหมาะสมที่ไม่ถูกต้องนี่แหละให้บันทึกในใจของเราเอาไว้ถ้าลูกหลานจะอยู่ในพุทธศาสนาไปตลอดรอดฝัง ก็ได้ปดี๋ยงดีแต่ถ้าวันเราออกไปเป็นฆรวาสเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขในการเป็นอยู่ของเราที่ผ่านมานั้นจุดนั้นเราอ่อนหรือจุดนั้นที่เป็นจุดบกพร่องจุดที่เราทำไม่ดีเมื่อออกไปคราวนี้เอาเถอะข่าพระเจ้าจะจุดจุดนั้นโดยเด็ดขาดเมื่อเราได้ศึกษาธรรมะรมคําสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว เราเห็นว่าถูกต้องอย่างยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเรากินเหล้าเที่ยวสมะเลเทเมา่เที่ยวเตรอบายมกแต่มาถึงจุดนี้เรามองดูแล้วในการกระทำในจุดนั้นมันเป็นการเสียเวลาเป็นการเสีย เ, เสี่ยงมาก ในชีวิตของเราไม่น่าจะทําอย่างนั้นเราน่าจะหยุดมาถึงจุดนี้แล้วเราน่าจะหยุดในการคิดการพูดการกระทําในเรื่องเช่นนั้นได้แล้วเพราะวันมันเปล่าประโยชน์จริงมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดมีจะให้โทษอีกต่างหากในเมื่อที่เราช่วงที่เราผ่านผ่านมานั้น เอาเถอะเมื่อเราหวนกลับไปอยู่จุดนั้นอีกเราจะต้องดำเนินชีวิตของเราไปในลักษณะอย่างนี้พร้อมกันก็ให้คู่ขนานกันการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่ให้ขาดตกปกพ่องก็พร้อมกันการยึดมั่นในศีลธรรมจริยธรรมก็จะให้ไปพร้อมกัน เราน่าจะคิดน่าจะทบทวนน่าจะกันกรองไตรตรองอย่างที่หลวงพ่อพูดที่หลวงพ่อแนะนําอย่างนี้หลวงพ่อก็มั่นใจว่าแนะนำพันธุ์โอ๊คพารลั น, ลนไม่ผิดก็แล้วกันหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดเพื่ะให้ลูกหลานดู้ซิว่ า, าที่หลวงพ่อได้ แนะนาแล้วบอกกล่าวไปเนี่ยลูกหลานนําไปปรับปรุงแก้ไขนําไปใช้ในการดำรงชีพหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าชีวิตของลูกหลานคงจะราบรื่นจะไม่มีอุปสรรคแต่ถ้าว่าลูกหลานออกไปแล้ว <c oughs> เบิกถอยหลัง ทำอะไรแบบไม่คิดไม่อ่านทั้งที่เคยมาบวชเรียนเขียนอ่านน่าจะมีความรู้น่าจะมีแนวความคิดที่ดีน่าจะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นในชีวิตครอบครัวในชีวิตราชการในชีวิตการธรรมมาหาเรี่ยงชีพเราขี้เกียจขี้ค้านอย่างไรเราใช้มือเติบเงินมือเติบอย่างไร เราหาเงินขาดตกปกพ้่องอย่างไรชีวิตครอบครัวของเราเราปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างไรต่อลูกหลานต่อพี่น้องอย่างไรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนดูในการดำเนินชีวิตถ้าพวกเราทบทวน ดูแล้วหลวงพ่อจะมองเห็นเพราะเราใจของเรามันเน่งใจของเราเป็นสมาธิใจของเราไม่ปุงฟงุ้งซ่านใจของเราเน่งจากนั้นเราก็มองมองเห็นว่าการกระทาหรือว่าแนวความคิดการดำเนินชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อออกไปเราจะดำเนินชีวิต อย่างไรจึงจะเป็นธรรมจึงจะถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดจะราพเรื่นอนหลวงพ่อว่าทางว่าพวกเราได้หยุดเดินมองดูด้วยสติด้วยปัญญาอของเราแล้วด้วยความกลั่นกรองเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ เข้ามากลัดกรองดูแล้วหลวงพ่อเองลูกหลานทั้งหลายคงจะเดินไปในทางที่ถูกต้องออไม่หลงทางไม่สเปะสปะชีวิตทั้งชีวิตก็เดินไปด้วยความมั่นใจทางโลกก็มั่นใจในธรรมะก็มั่นใจนี่แหละแต่หลวงพ่อไปพูดที่รามคำแหงหลวงพ่อก็เน้นหนักเรื่องศีลห้า พอหลวงพ่อไปนักสถานที่ใดยังไม่เคยไปในจุดนั้นมองดูชุมชนในจุดจุดนั้นยังไม่เคยได้ยินเรื่องศินหลวงพ่อจะพูดเรื่องศินให้ฟังถึงจะเป็นระดับไหนก็เถอะแต่แนวความคิดของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านอธิบายให้ฟังนั้นท่านก็อธิบายเน้นหนักไปบางจุด บางเรื่องแต่หลวงพ่อมีความคิดว่าทุกคนถ้าเป็นคราวาสญาติโยมผู้ดำรงชีพเป็นคราวาสพระพุทธเจ้าท่านก็วางไว้สำหรับผู้ปฏิบัติสำหรับข้อปฏิบัติสำหรับคราวาสใช่เยาวะฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาสสี่อย่างสัจธรรมขันติยาคะ อันนี้ก็คือทรรมของครรวาสสัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจการพูดการตกลงกันยังไงให้มีสัจจะคนที่ร้ายสัจจะคนที่ไม่มีสัจจะคนที่เลาะแหละครบไม่ได้ทำเป็นให้เป็นเพื่อนเป็นฝูงเข้าไปในกับเรื่องชุมชนหรือว่าที่คับขันหรือว่าที่จําเป็นจะต้อง ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเข้มแข็งแล้วจะไปพบคนเช่นนั้นไม่ได้จะบอกคนร้ายสัตตะคนร้ายสัจจะไม่มีความจริงจังและจริงใจธรรมะให้รู้จักข่มใจของตนเมื่อเราทุกคนก็ต้องมีอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายคุมดีคุมร้ายบางครั้งแต่ถึงยังไงเราก็ต้องมีสัจจะ ต้องมีธรรมะให้รู้จั ก, จกขม่มอย่าไปตามใจตนเองจนมากจนเกินไปต้องข่มเอาไว้อย่าไปตามใจถ้าจะตามใจเขาไปบางทีเกิดความเสียหายเราต้องขม่มอันนี้ก็ว่าธรรมะให้รู้จั ก, จกข่มจิตของตนและก็ขันติให้มีความอดทนอดกั้นเพราะว่าการเป็นอยู่ทุกของเราต้องมีขันติ บางทีมีการกระทบกระแทกจากผู้ใหญ่ดูด่าว่ากาวแต่ไม่ถูกใจเราเราก็แ ส, กกา แ, สาแสดงอักกับกิริยาที่ไม่แสดงความเคารพหรือแสดงอักับกิริยาออกไปมันไม่ใช่เสียท่านมันเสี ย, เ, สยเราแล้วก็ขาดขันติในการเป็นอยู่การเลี้ยงชีพ ไม่อดทนต่ออาหารการบริโภคไม่ตดทนต่อร้อนต่อหนาวต่อลูกน้องบริวารมันมีมากคราว่าอดทนคำนี้ถ้าว่าคนมีความอดทนไปอยู่ในสถานที่ใดคนนั้นจะสวยงามเป็นที่สบายใจผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้หนักแน่นอยู่กับครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานคนที่มีขันติคือความอดทนเป็นที่สบายใจ ผู้ที่เข้ามาสัมผัสเป็นเจ้านายก็ลูกน้องก็สบายใจในเมื่อเป็นลูกน้องเจ้านายก็สบายใจอยู่กับใครรู้สึกสบายใจเพราะคนคนนั้นมีขันติคือความอดทนเป็นพื้นฐานอันนี้ก็คือคันติจาคะคนที่มีน้าจิตน้าใจการเสียสละเมื่อเราได้ อันไหนมาควรจะแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคณะญาติผู้เกี่ยวข้องอย่างไรอันนี้ก็รู้จักการแบ่งปันรู้จักจาคะในการเสียสละอามิสทานวิทยาทานธรรมทานอภัยทานทานะถ้าคนอยู่นสถานที่ใดรู้จักการเสียสละมีจาคะ คือการเสียสละแล้วคนนั้นก็เป็นคนดีอยู่ในสถานที่ใดเพระนั้นอันนี้คือทำคาสอนของพระพุทธเจ้าจะว่าคารวะธรรมทำของคารวะจากนั้นพระพุธองค์ยังไม่เพียงพอที่จะทำจุดนั้นอีกต้องให้มีสินห้าสินห้าี่คือสินคุ้มครองสําหรับคารวะหญิงชาย ให้เป็นผู้มีศินแต่ก่อนที่จะมีศินบรรพบุรุษของพวกเราปู่ย่าตายายของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาท่านละ ล, ลืม ล, ล, ลำลึกถึงพระคุณลำลึกถึงบุญคุณลำลึกถึงพระคุณศินเนี่มาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่านได้ตัดสรุป พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านมองเห็นศีลละธรรมจริยธรรมความความประพฤติของสิทธาอนุสิทธิ์จะวางศาสนาจะวางแนวพระธรรมคำสอนว่าอย่างไรท่านก็ได้วางพระธรรมคาสอนเอาไว้เมื่อท่านวางพระธรรมคาสอนออกมาแล้วพวกเราพุทธบริษัทคำว่าบริษัท คำนี้ก็คือบริษัทจำกัดเป็นบริษัทยอมรับว่าเราเข้ามาทํางานหรือเข้ามาศึกษาในบริษัทนี้คือบริษัทของพุทธวัพุทธะนี่ใครเป็นเจ้าของบริษัทใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นต้นต่อใครเป็นที่เคารพในบริษัทนี้ก็คือพระพุทธทเจ้าเพราะนั้น พวกเราจะเข้ามานับถือผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทท่านเม่ได้คิดค่าทุนกำไรอะไรยับกับพวกเราทั้งหมดท่านปันบัญญัติขึ้นมาด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีว่าพวกท่านทั้งหลายต้องการความสุขความเจริญทางด้านจิตใจการเป็นอยู่ร่วมกัน พวกท่านทั้งหลายควรปฏิบัติต่างต่อไปนี้อันนี้ก็คือศินแล้วท่านนายเพราะฉะนั้นพวกเราก่อนที่จะปฏิบัติในศ่อินเคตค้นเรื่องของศินของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเรายอมรับว่าศินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้นี้มีเหตุผลเมื่อปฏิบัติแล้วมีแต่ความสงบในชุมชนสังคมสังคม เพราะด้านก่อนที่เราจะรับสินเราขอนอบน้อมต้นศ า, ส, า, น ส, าสนาต้นศาสนาต้นความคิดเสียก่อนกฎโมราณเขาให้ลำลึกถึงพระคนแล้วนะทีนี้ให้ถึงประวัติศาสตร์ประคายเป็นผู้บัญญัติเรื่องศีลธรรมข้อนี้ mm hmm. เขาก็เลยตั้งนะโมขึ้นมาทีนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพทุทธัสสะ ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสามครั้งพอเราได้วิค้์ดูแลวว้วเนี่ยพระพุทธศาสนาประธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าเพราะนั้นก่อนที่เราจะรับศีลมาปฏิบัติเนี่ยเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเป็นต้นศาสดาเป็นต้นคิดเรื่องศีลธรรมจุดนี้ จากนั้นกัพุทธทังสารานางคัตฉามิคือพระพุทธเจ้าเองทำ ม, มังสารานางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้สาสังขังสารานางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสาระเป็นที่พึ่งนี่แหละดูติยามปิข้าพเจ้าขอถึงครั้งที่สอง พุทธังธรรมังสังขังสรารนังคัจฉามิตาติยามปิพุทธังธรรมังสังขังสรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามยึดพระเป็นพระไตรสารณคมพุทธังสารานังสารานังคือสาระยึดพระเป็นสารณคมพระไตรสรณคมถึงสามครั้ง พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์อเองอย่างที่ได้กล่าวนะพวาเราวิเคราะห์ดูแล้วเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากพระพุทธเจ้าแต่เรื่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมคือคําสอนออกมามีสินห้าบังมีพระธรรมแปดหมื่นสีพันพระธรรมมขันเรื่องศินสมาธิปัญญามรต่างๆมรกแปดต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักตายรักอนิจังทุกขังอนาตตาท่านจะบรรยายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฉากเป็นขั้นเป็นตอนพวกเราก็ได้ศึกษาอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เอาเถอะอย่างอื่นเรายกไว้ก่อนแต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางศีลห้าไว้เนี่ยคือพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าวางศีลห้าเอาไว้ ให้พวกเราปฏิบัติสำหรับอุบาสกอุบาสิกาศิลสิบคือสิน ส, น, นสัมมเนนสินสองร้ยี่สิบเจ็ดนี่คือศิลพระบวชมาในพุทธศาสนาเข้ามาส่วนในภายในที่จะเป็นผู้นำเป็นพระพระแปลว่าผู้เลิศผู้ประเสริฐแปว่าพระสูงกว่าฐานะที่เป็นครวาสญาติโยมแต่คราวาสญาติโยมท่าว่ากพูดได เป็นครว่์ทั่วไปก็มีศีลห้าเป็นพื้นฐานก็เป็นคนดีได้แล้วแต่ถ้าว่าใครจะการกรองตัวเองให้ถีบตัวขึ้นไปให้สูงขึ้นกว่านั้นอีกรักษาศีลอุโบสถคือรักษาศีลแปดอยู่แบบเนคขาอยู่แบบตัวคนเดียวรักษาศีลรักษากายรักษาใจอันนี้ก็คือศีล8สํ 8, สำหรับศีลครวาทผู้ที่จะปรับตัวขึ้นให้สูงขึ้น กว่าสินห้าอันนี้ก็คือศินที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้สําหรับคารวตาก็คือศินห้าจากนั้นพระสงฆ์พระธรรมคือคําสอนพระสงฆ์กับผู้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้กับพวกเราถ้าไม่มีพระสงฆ์ เป็นผู้นําพระธรรมคําสอนออกมาบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราก็คงจะไม่รู้พระธรรมจะลึกซึ้งขนาดไหนมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะในจบในสมัยนั้นเพราะไม่มีใครนํามาประกาศบอกกล่าวตอนนั้นพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับพวกเราที่นําพระธรรมคําสอนมาบอกกล่าวมาแนะนําพวกเราก็ซึ้งในจิตใจพิจารณาการกลองไตรตรองเหตุและผลแล้ว ยอมรับที่ประสงน์นำพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเราจึงยึดประสงน์ว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นสรารนางคัดฉามิตรเพราะฉนั้นเราจึงยึดพุทธังธรรมังสังขังสรารนางคัดฉามินี่แหละยึดเป็นขั้นตอนต่อมานี่แหละคนผู้ที่บรรพบุรุษของพวกเราท่านลําลึกถึงพระคุณ ผู้มีอุปกรณ์ผู้มีพระกุลสําหรับเราจากนั้นกะล่าวเป็นองค์ศิลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าเพราะว่าการฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรพราเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศ์สาคขาญาติของเรายิง่งฆ่าคนที่เรารัก เมตตามากๆอย่างเรารักลูกของเราเขามาฆ่าลูกของเราหรือว่าเขามาฆ่าพ่อแม่ของเราเราจะเสียใจอย่างมากแต่เมื่อเราไปฆ่าเขาละ่ะพ่อแม่ของเขาลูกของเขาละ่ะเขาจะเสียใจไหมเขาก็เสียใจอย่างมากเช่นเดียวกันกับเราไม่แพ้กันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติินข้อที่หนึ่ง อย่าไปรังแกกันอย่าไปเบียดเปี่ยนกันอย่าไปฆ่ากันอย่าไปคิดฆ่ากันให้หัวรู้จักใจเขาใจเราให้มีเมตตาต่อกันให้มีน้ำใจต่อกันพราะเราไปฆ่าเขาก็เสียใจถ้าเราไปเขามาฆ่าเราล่ะเราเสียใจแม่เราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นศิลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้บรนพบุรุษของพวกเรากันกลองไตรตองดูแล้วมีเหตุผลเขาเรา พอยนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันนี่คือสีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณนีสามีภรรยาสิ่งของของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปขโมยของเขาขโมยสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานของเขาไปเรียกค่าทายอย่างเนี้ยเราคิดดูสิว่าเขาจะเสียใจขนาดไหนถ้าเรามารัก มาลักมาขโมยสิ่งของของเราที่เรารักสงวนห่วงแหนเราจะเสียใจมากขนาดหน่อยนี่อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเขาเราอีกเช่นเดียวกันเมื่อเรารักของเราเราก็จะไปเบียดเบียนจะไปขโมยของเขานี่คือศินข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุมิสาจาเราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาไป ไม่ครบสิทธิ์ของเขาอธิปไตยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเราเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะต่างคนก็ต่างมีพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าโลกจะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันเหมือนกับกฎหมายแหมสินนี่ก็คือกฎหมายแต่ละเอียดกว่า ละเอียดกว่ากฎหมายนี่แหละอันนี้คือศินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวระมะนีอย่าไปคดอย่าไปขโมยคนอื่นเขาอย่าไปลักไปกับขโมยคนอื่นเขาอย่าไปคดไปโกงจะไปใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงคนอื่นเขาคําว่า มุสาคำเนี่นะมันมากทำให้เสียหายอย่างมากอย่างเราไม่มีเงินในธนาคารเราก็เขียนกระดาษเป็นเช็คให้เขาไปคําให้เขาแต่ผลในที่สุดตัวเองหลบหนีไปให้ห่างไกล เ, เพื่อจะเอาตัวรอดซะก่อนเขาก็เอาเงินไปขึ้นเช็คผลนที่สุดไม่มีเงินอันนี้โกหกไหมนี่แหละ ตระกูลโกโหกมันมีมากลากหลายเหลือเกินไม่ใช่บอกเอาของปลอมมาแลกกับของดีของเขาเอามาของเกะมาขายให้เขาเอาตะกัวมาขายว่าเป็นทองคําำเอาเพชรเนนจินดาของปลอมมาขว้าขายว่าเป็นของเจ่งมันล้วนแล้วจะเป็นโกหกทางนั้นเพราะนั้นเรื่องโกหกเกิดมากๆอยู่มากๆเป็นมากๆ ในชุมชนสังคมโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสีนวา ม, มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าจงงดเว้นในการกล่าวมุสาและพระพุทธเจ้ายังสำทับอีกว่าคนที่ชอบโกหกท้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีคำนี้ก็ให้ฟังเอาไว้ จะนั่นคือสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มเมลยัยเมลัยก็คือเบียสุราก็คือเหล้าสุราเมรยะมัชฌะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ทุกวันนี้ เขาสงเคราะห์เข้าไปและหลายอย่างเสพคัญชายาฝิ่นเฮโรอี น, นของมึนเมา6เสพพกต่มเข้าไปแล้วทาให้ขาดสตินั่นแหละประเภทเดียวกันทั้งหมด6ของมึนเมาเ ก, ก็รู้แก่ใจว่าเมื่อเสพเข้าไปแล้วมันมึนเมาไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรควรทําไม่ควรทําควรพูดไม่ควรพูดอันนี้เป็นตน้นอันนี้เลยว่า สุราเมื่อทําเสพเข้าไปแล้วทําความชั่วได้อีกต่างหากทําไมถึงทําความชั่วเพราะคนขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วจะฆ่าใครก็ได้ฆ่าลูกฆ่าสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ฆ่าพ่อข่าแม่ก็ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติมันไม่ลูกจากสิ่งที่ยับยัง้งเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนเพราะคนขาดสติ จะขโมยของใครก็ได้เพราะขาดสติไม่เคารพสิสามีภรรยาของใครก็ได้เพราะขาดสติโกหกใครก็ได้เพราะขาดสติวันนั้นสีลห้าของพระพุทธเจ้าพวกเรานํามาวิเคราะห์นํามากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วไม่น่าจะประพฤติร่วงเกินที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ข้าพระเจ้าอ๋อเถอเข้าพระเจ้าได้ยินแล้วศินและธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงข้าพระเจ้าจุข้าพระเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้มีศินห้านับหนึ่งจะข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพระเจ้าจะไม่โกขโมยสิ่งของคนอื่นเขาข้าพระเจ้าจะเคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นเขาข้าพระเจ้าจะไม่โกงข้าพระเจ้าจะไม่ดื่มชูกานโดยเด็ดขาด นับหนึ่งจากข้าพเจ้าเพราะเรารู้คุณค่าประธทมคำสอนที่พระพุทธองค์วางไว้แล้วเห็นโทษในเมื่อเรากันกรองด้วยเหตุด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้วนี่ละอยากจะให้พระลูกพระหลานทั้งหลายมองเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปมองเป็นอย่างอื่นมองเข้ามาหาตัวเองในเมื่อเรามีศีลห้า อยู่ด้วยกันเพราะศีลห้าเป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาอยู่แล้วถ้าผู้มีศีลห้าอยู่ในชุมชนในกลุ่มใดในยุคใดสมัยใดยุคนั้นสมัยนั้นก็มีแต่ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขเพราะไม่มีการเบียดเบียนจึ่งกระลั่นับนี่แหละคือศีลห้าถ้าเราหลวงพ่อไปนัสถานที่ใดหลวงพ่อจะเน้นเรื่องศีลห้าให้กับคณะสัตยาติโยมให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษา เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้พอใจโตขึ้นมาออกจากโรงเรียนก็เรียนมัธยมปฐมปริญญาตรีเรื่องศีลธรรมรู้สึกห่างเหินไปเรื่อยๆยิ่งพ่อแม่เขาไม่เคยเข้าศีลเข้าวัดวาศาสนาอีกสมัยก่อนพ่อแม่ยังเข้าวัดแต่พอมาพ่อแม่ก็ไม่เข้าวัดลูกออกมาก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆ เพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้ไปนสถานที่ใดจึงเน้นเรื่องศินห้าให้กับพุทธบริษัทสีอุบาสกอุบาสิกาลูกหลานทั้งหลายให้รู้ให้ศึกษานะเรื่องศินห้าจากนั้นก็เรื่องแนวความคิด เ, นะเ่เรื่องโพดให้ฟังก็คือสินก็คือกฎระเบียบการเป็นอยู่สมาธิก็คือทําใจยังไงคิดยังไง จึงจะเป็นสมาธิทําให้จิตใจของเราสงบพร่อมเย็นเป็นถุกลงได้ถ้าคนไม่มีใจไม่เป็นสมาคิดไม่มีสมาธิจิตใจปุง่งฟุ้งตลอดเวลาเอ่อละเหยลอยลมขาดสติอยู่ตลอดเวลาอย่าวังเลยชีวิตนั้งทั้งชีวิตนั้นจะสงบพร่อมเย็นเป็นถูกได้เพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นขอให้พวกพระลูกพหลานทั้งหลาย มาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ให้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแนวความคิดต่อแนวความปรับพิชจาหรับจะเดินดำเนินชีวิตของพวกเราต่อไปภายภาคหน้าในเมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วเราได้กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเราจ ะ, จะไป ประชุมหรือไฮปากที่ไหนประชุมที่ไหนที่เป็นหัวหน้าหรือว่าในการประชุมเราก็พร้อมที่จะแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยินได้ฟังประกาศเผยแพร่ออกไปในทำคำสอนหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าอย่างอนเองอนกอนันทีเดียวเพราะเหตุใดศีลธรรมมันไม่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใด เป็นของทุกคนที่จะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้จากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนเมื่อเรามาปรปับปรุงกายใจของพวกเราแล้วในยุคใดสมัยใดพวกเราได้เขารลบศีลธรรมคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะร่มเย็นเป็นสุขนานเท่านานนะต่อเนี้ไปเปิด MP3 ให้ฟังเลยที่เตรียมไว้มีอะไรบ้างเอาเปิดได้เลยนะเอาพวกเรานั่งสมาธิฟังเลยทีนี้นะ